แต่ว่าความทุกกายทุกใจ ย, ยังมีอยู่กลั้นเอาไว้เท่านั้นถ้ากลั้นเอาไว้ได้ก็เป็นการปรกติเรียบร้อยถ้ากลั้นเอาไว้ไม่ได้ก็ต้องมีอาการหรือมีความประพฤติไปตามที่จะเป็นควบคุมไว้ไม่ได้ฉะนั้นอธิวาสนะขันติขันติคือความอดกลั้นยับยั้งเอาไว้นี้จึงจะเป็นขันติสามัญและก็ชื่อว่าเป็นตบะคือธรรม เป็นเครื่องแผดเผากิเลสเหมือนกันคือว่าได้อดกลันเอาไว้ได้และก็แผดเผากิเลสส่วนนั้นไว้ได้กิเลสไม่ลุกคือขึ้นมาทำให้เสียหายแต่ก็เป็นตบะอย่างสามัญอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าตีติขาขันติขันติคือความทนทานที่กล่าวไว้ในพระโอวาทนี้ขันติคือความทนทานนี้เป็นขันติที่สูงขึ้นมากหมายถึง เป็นขันติทางจิตใจที่ได้ปฏิบัติมาในขันติสามันนั่นแหละจนมีจิตใจแข็งแรงทนทานต่ออารมณ์ที่มายุ่งต่างๆอารมณ์ที่มายุ่ต่างๆนั้นจะมายุ่ให้ชอบก็ตามให้ชังก็ตามให้หลงก็ตามจิตใจที่ประกอบด้วยตีติขาคือความทนทานย่อมไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์เหล่านั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงมีขันติอย่างนี้ ดังที่ตรัสปารลบถึงพระองค์เองไว้ในที่แห่งหนึ่งแปลความว่าเราทนทานคําล่วงเกินเหมือนอย่างช้างศึกที่ทนทานลูกศรซึ่งตกจากแหล่งมาต้องกายในสนามรบเพราะว่าคนเป็นอันมากเป็นผู้ที่ถุกศีลคราวนี้เมื่อจะเทียบกันดูระหว่างอธิวาสนะขันติกับตีติขาขันติก็ย่อมได้ดังนี้ เมื่อมีอารมณ์มายั่วให้โกรธถ้ามีเพียงอธิวาสนะขันติก็ยังโกรธเหมือนกันแต่ว่ากลั้นไว้ได้แต่ถ้ามีตีติขาขันติแล้วไม่โกรธคือว่าขันตินั้นมาทําจิตใจให้เข้มแข็งหรือว่าให้แข็งแกรง่งพอที่จะไม่หวัน่นไหวไปตามอารมณ์ที่มายั่วเพราะฉะนั้นตีติตขาขันตินี้จึงไม่ต้องกลั้นคือทนทานแข็งแกรง่งอยู่ได้ในตัวเองแล้ว ส่วนอธิวาสนะขันติต้องกลั้นถ้ากลั้นไว้ไม่ไหวก็แปลว่าพร่องออกไปทีเดียวคราวนี้สำหรับวิธีปฏิบัติก็ต้องหัดปฏิบัติให้เป็นอธิวาสนะขันติมา ก, ก่อนเมื่อปฏิบัติจนเกิดความชำนิชนานาญความคุ้นเคยมากขึ้นมากขึ้นจิตใจก็จะแข็งแกร่งคือเข้มแข็งนั่นเองเป็นตีติขาขันติขึ้นมาได้โดยลำบับตีติขาขันตินี้เป็นตะบั คือ ร, รมเป็นเครื่องแผดเผากิเลสเป็นอย่างยิ่งสูงกว่าที่วาสนะขันติซึ่งเป็นขันติสามัญ น, นี้สำหรับจิตใจแต่สำหรับทางร่างกายนั้นต่างกับจิตใจจิตใจทำให้ไม่มีทุกได้แต่ว่าร่างกายนั้นมีทุกเป็นธรรมดาโดยเฉพาะก็ต้องมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาดังที่เราสวดกันอยู่ร่างกายของปุถุชนหรือร่างกายพระอรหรันต์ก็ต้องตกอยู่ในคติธรรมดาเช่นนี้ ฉะนั้นจึงมีแสดงในพระพุทธประวัติว่าแม้พระกายของพระพุทธเจ้าเองก็ประชวนใต้ประชวนหลายครั้งในการประชวนนั้นก็มีแสดงว่าในบางคราวก็โปรดให้แพทย์เยียวยาในบางคราวก็ทรงระงับด้วยอธิวาสนาขันติท่านใช้คำนี้คือความอดทนที่ทำให้ความเจ็บไข้นั้นยับยั้งไปแต่สาหรับในส่วนจิตใจแล้ว ท่านมีความเข้มแข็งทนทานไม่มีอารมณ์อะไรไมายุให้เป็นทุกข์ขึ้นได้แปลว่ามีตีติขาขันติขันติคือความทนทานบริบูรณ์นิพพานสองอย่างจะอธิบายในพระพุทธวาฏทะข้อที่สองในพระโอวาทปาติโมวกขว่านิพพานเป็นอย่างยิ่งหรือนิพพานเป็นธรรมะอย่างยิ่งโดยพยัญชนะคำว่านิพพานแปลได้สองอย่างคือ ดับอย่างหนึ่งไม่มีเครื่องเสียบแทงอย่างหนึ่งที่แปลว่าดับนั้นออกมาจากว่าธาที่แปลว่าพัดอย่างพัดลมนิปฏิเสธก็แปลตรงกันข้ามว่าดับส่วนที่แปลว่าไม่มีเครื่องเสียบแทงนั้นออกมาจากศัพท์วาวานที่แปลว่าเครื่องเสียบแทงใช้เป็นชื่อของลูกศรก็มีนิปฏิเสธก็แปลว่า ไม่มีเครื่องเสียแทงแต่โดยอัดคือเนื้อความหมายถึงจุดสูงสุดและคำว่านิพานนี้เป็นคำเก่ามีใช้มาก่อนพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มีความหมายถึงจุดสูงสุดของนัที่ปฏิบัติมานั้นๆเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็ได้ทรงนำคำนี้มาใช้ให้หมายถึงจุดสูงสุดในพระพุทธศาสนา แต่มีความหมายเฉพาะในพระพุทธศาสนาซึ่งต่างไปจากความหมายเดิมของคำที่ใช้ในลทัทธิศาสนาในภายนอกคำอธิบายนิพพานที่เป็นพระพุทธภาษิตซึ่งมีความกว้างก็เช่นว่าตัณหายะวิปปหาเนณะนิพพานังอิติอุจติเพราะละตัณหาเสียเรียกว่านิพพานราคะโทสมุหักขยานิพพานัง ชื่อว่านิพพานเพราะสิ้นราคะโทสะโมหะฉะนั้นกล่าวสั้นนิพพานจึงได้แก่ธรรมะเป็นที่ดับราคะโทสะโมหะธรรมะเป็นที่ดับตัณหาหรือธรรมะเป็นที่ดับกิเลสทั้งหมดเมื่อปฏิบัติทากิเลสให้สิ้นไปได้แล้วนิพพานก็ปรากฏขึ้นแก่ผู้ดับกิเลสเองแต่เมื่อยังทากิเลสให้สิ้นไปไม่ได้การพูดถึงนิพพานการแสดงถึงนิพพาน ก็ผู้แสดงไปตามครองแห่งพระพุทธศาสนาและเมื่อพิจารณาตามครองแห่งพระพุทธศาสนาดังกล่าวการบรรลุถึงนิพพานนั้นไม่เกี่ยวกับอยากหรือไม่อยากเมื่อยังมีอยากหรือไม่อยากก็แสดงว่ายังมีชอบหรือไม่ชอบซึ่งเป็นลักษณะของตัณหาของกิเลสฉะนั้นก็ไม่บรรลุได้จะบรรลุได้นั้นด้วยการปฏิบัต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 เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนิพพานของพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่คือท่านละอสวากิเลกได้หมดสิ้นแต่ยังมีขันธะท่าปัญจกะดำรงชีวิตอยู่เรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพา น, านเมื่อพระอรหันต์หลัขันคือขันธะท่าปัญจกะแตกสลายดังคนสามัญก็เรียกว่าตายแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่านิพพานหรือปรินิพพาน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 ดับกิเลส ข, ของท่านดังกล่าวนี้เรียกว่าสั乌ปาทิเสสานิพานส่วนพระอาหารหันดับอาสวะกิเลสได้หมดสิ้นไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งยังเหลืออยู่ความดับกิเลส ข, ของท่านเรียกว่าอนุปาทิเสสานิพพานมีคําที่เป็นไวยพจน์คือคําที่มีรูปต่างๆกันแต่รวมอยู่ในความหมายอันเดียวกันของนิพานหลายคําเช่นคําว่าอมาตะวิราคะ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 ได้ทรงอุบัติขึ้นและต่อจากสมัยพระพุทธเจ้ามาก็ได้มีลัทธิดังกล่าวนี้สืบสืบมาอีกหลายลทัทธิแสดงเป็นตัวตนเป็นบุคคล่วนที่เห็นว่าภาวะเป็นอมตะนั้นดังเช่นลัทธิอุปนิสต์ที่แสดงปรามาตมันเป็นอัตตาใหญ่ซึ่งคงอยู่ชัว่วนิรันดรทุกทกคนหรือทุทกทุกสัตว์โลกแยกออกมาจากปรามาทมันมาเป็นอัตมัน หรืออัตตาของแต่ละบุคคลและเมื่อทำความดีมากขึ้นก็จะบรรลุความเป็นมหาตามันหรือมหัตตาอย่างที่ยกย่องบางคนว่ามหาธรมะนี่ก็คือมหาตามันหรือมหัตตามเมื่อมหาตามันหรือมหัตตานั้นสิ้นชีวิตก็จะไปรวมเป็นปรมาตมันและคงที่อยู่นิรันดร์ตามเดิมส่วนที่แสดงธรรมะนั้นคือพระพุทธศาสนา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 และเมื่อสิ้นความเกิดเป็นเทพเป็นมนุษย์เป็นอะไรอะไรทั้งนั้นก็สิ้นสมมุติบัญญัติคือไม่มีจุดอันใดอันหนึ่งที่จะยกขึ้นมาสมมุติคือหมายรู้กันหรือว่าบัญญัติคือแต่งตั้งกล่าวถึงกันว่าเป็นอะไรการจะมีสมมติคือหมายรู้กันก็จะต้องมีสิ่งที่ถูกสมมติขึ้นก่อนการที่จะมีบัญญัติคือแต่งตั้งพูดถึงกันก็จะต้องมีสิ่งที่จะถูกบัญญัติขึ้นก่อนเหมือนอย่างว่า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 จะมีความหมายในครองธรรมของพระพุทธเจ้าดังกล่าวนี้อันหนึ่งบางแห่งเรียกว่าวิราคะแปลว่าธรรมที่สิ้นราคะคือความติดความยินดีความกำหนัดนี้ก็หมายถึงธรรมเป็นที่สิ้นกิเลสแต่ว่ากิเลสเหล่านี้ราคะเป็นที่ปรากฏอยู่มากฉะนั้นจึงได้ยกเอาในด้านไม่มีเป็นชื่อของนิพพานอันหนึ่งบางแห่งก็เรียกว่าโมคข หรือโมฆะธรรมแปลว่าทาเป็นเครื่องพ้นจากทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปราถนาเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์และในตอนแรกก็หมายถึงความพ้นจากผลเพราะทุกข์เป็นผลแต่เมื่อได้ตรัสรู้แล้วได้ทรงพบเหตุคือตัณหาหรือกิเลสโมฆะจึงแปล อ, อีกอย่างหนึ่งว่าธรรมะเป็นที่พ้นกิเลสด้วยซึ่งมักจะแปลรวมๆกันว่า พ้นกิเลสและกองทุกข์แต่ว่าในตอนแรกเมื่อยังไม่พบกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็มุ่งจะพ้นผลที่เห็นว่าเป็นทุกข์เท่านั้นอันหนึ่งบางแห่งเรียกว่าอาสังคตธรรมธรรมะที่ไม่มีปัจจัยปรุงหรือเรียกว่าวิสังขารแปลว่าธรรมที่สิ้นสังขารหรือสิ้นเครื่องปรุงแต่งอัตตาทั้งสองคำนี้ก็เป็นอันเดียวกันคําว่าอาสังคตะ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 แดดจึงออกและเหตุนั้นเมื่อคนเข้าไปแล้วก็ยังเป็นผลอยู่นั่นเองเพราะเนื่องมาจากเหตุอื่นทุกๆอย่างในโลกเป็นผลที่เกิดจากเหตุปรุงแต่งดังกล่าวนี้ล้วนเป็นสังคตะหรือสังขารทางพระพุทธศาสนาจึงแสดงว่าตกอยู่ในลักษณะ3คือ 1. อุปาโทปัญญายติความเกิดขึ้นปรากฏ 2. วโยปัญญายติ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 หมายความว่าคนต้องทำชั่วจึงจะเป็นความชั่วต้องทำดีจึงจะเป็นความดีถ้าไม่ทำความชั่วก็ไม่มีความดีก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแม้ความดีความชั่วก็เป็นสังกตะหรือเป็นสังขารความดีหรือความชั่วนี้เมื่อบุคคลทำขึ้นส่งวิบาก ค, คือผลผลนี้ก็เป็นสังกตะหรือเป็นสังขารเพราะเป็นสิ่งที่เนื่องมาจากเหตุ คราวนี้เมื่อบุคคลได้รับผลถ้าเป็นผลที่ดีก็ชอบใจถ้าเป็นผลที่ไม่ดีก็ไม่ชอบใจชอบใจหรือไม่ชอบใจนี้ก็เป็นกิเลสกิเลสนี้ก็เป็นสังขตะหรือสังขาญเหมือนกันเพราะเป็นผลที่เนื่องมาจากวิบากชอบใจหรือไม่ชอบนี้รวมเรียกว่าเป็นกิเลสและเมื่อเป็นกิเลสขึ้นก็ก่อเจตนาขึ้นคือความจงใจให้ประกอบกรรมต่างๆกรรมที่ก่อขึ้น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 วัตวนหรือหมุนโลกข้างนอกก็หมุนโลกข้างในคือจิตใจของคนก็หมุนหมุนไปตามกิเลสกรรมวิบากเป็นวงกลมอยู่ตลอดเวลานี้เป็นกระแสปัจจุบันและโดยปกติทุกทกสัตว์บุคคลก็อยู่ในวงหมุนนี้ด้วยกันทั้งนั้นไม่พ้นจากวงหมุนนี้ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องปรุงต้องแต่งเป็นเหตุเป็นผลกันในวงหมุนอันนี้อยู่เรื่อยไป เมื่อมาเข้าวงหมุนดังนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดกันถึงชาติอดีตชาติอนาคตหรือชาติปัจจุบันเพราะจะเป็นชาติไหนก็ตามก็จะอยู่ในวงหมุนนี้ทั้งนั้นและเมื่อยังอยู่ในวงหมุนนี้ตราบใดก็ยังหมุนไปอยู่ตราบมั้นจนกว่าจะหยุดหมุนได้คือว่าปรุงแต่งมัด ม, มีอง์8อันประมวลเรียกว่าทำความดีจนตัดกิเลสได้หมดสิ้นเมื่อตัดกิเลสได้หมดสิ้นแล้วก็ตัดวงหมุน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 ซึ่งเป็นส่วนสังคตะหรือส่วนสังขารแต่ว่าเป็นส่วนสังคตะหรือส่วนสังขารในด้านทำความดีเมื่อถึงจุดแล้วนิพพานก็จะปรากฏขึ้นเองไม่ต้องอยากไม่ต้องไม่อยากพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือท่านผู้รู้ซึ่งเป็นผู้ได้พูดถึงแล้วจึงได้กล่าวว่านิพพานเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ไม่ถึงก็ยังไม่มีใครกล่าวว่านิพพานเป็นอย่างยิ่ง